คาวหนึ่งทุดงไปกันสามองตามแนวโคดเขามีท่านพระอาจารย์ขาวัดร้ำครองเต็นจังหวัดอุดรและพระอาจารย์มหาทองสุขสกล น, นครออกติดตามทุดงสัญจรตามป่าดอนแดนดงพงไพรไปถึงช่องแคบจากขึ้นเขา บางเอิญมีช้างตัวใหญ่หากินใบไผ่ขวางทางพอดีไม่มีทางใดจะหลีกลบไปให้ไกลจากช้างที่กินใบไผ่พุ่งกลางยืนขวางทางน่ากลัวตัวนี้ พระอาจารย์มันบอกท่านอาจารย์ข่าวในทันทีพูดกับช้างปลาใหญ่ตัวนี้อย่ารอรีขอทางการไปพระอาจารย์ขาวก็กล่าวคํากับช้างทันใดว่าพี่ชายเราขอพูดด้วยพี่ชายจงช่วยหลีกทางให้เรา ครังร้งแรกได้ยินมันหยุดกินใบไผ่ทันทีครั้งที่สองได้ยินว่าจีหันมาทันทีหูกางอายาพอเห็นดังนั้นไม่เนื่นนานพระอาจารย์ขาวก็พูดต่อเป็นเรื่องเป็นราวพวกเราขอทางสักหน่อยได้ไหมขอให้พี่ชายหลีกทางเราพอผ่านไปได้ าพี่ชายืนขวางทางไว้เรามิกล้าเดินไปดอกหนาพอพูดยกลันช้างตัวนั้นหันหน้าออกไปเอางายาวยาวสอดไว้กลางกาะไปไม่มองหันมาพระอาจารย์มัน ดังนั้นจึงเ่ยว่าจาาว่าพวกเราไปได้แล้วนะเขาไม่มาทำอันตรายเขาเปิดทางแล้วให้พวกเราเก้าวเดินผ่านไปจึงพากันผ่านพ้นไปได้เดินเฉียดช้างาใกล้ใกล้เพียงหนึ่งวา พอเดินผ่านช้างไปได้ประมาณวาเศษขอกรดท่านอาจารย์มหาทองสุกซึ่งเดินอยู่หลังสุดก็ไปเกี่ยวเอาเขางไม้ไผ่เข้าพอดีปลดยังไงก็ไม่ยอมออกต้องพยายามปลดอยู่นานจนเหงื่อโชกไปทั้งตัวเพราะกลัวช้างมากเมื่อผ่านกันไปหมดแล้วท่านอาจารย์ขาวหันมาพูดกับมันว่าพี่ชายเอ้ยพวกเราผ่านมาแล้วขอให้พี่ชายหากินได้ตามสบายเถิดพอจบลงเท่านั้น เสียงมันฉุดลากกิ่งไม้ดังฟูดฟาดขึ้นทันทีเมื่อไปถึงที่พักแล้วท่านอาจารย์มหาทองสุขกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นว่าขณะนั้นท่านอาจารย์ได้กําหนดดูจิตมันบ้างหรือเปล่าครับว่าช้างตัวนั้นมันนึกอะไรบ้างเพราะตอนแรกมันทาท่าทางตึงตังเราจะขยี้พวกเราให้แหลกละเอียดไปในขณะนั้นแต่พอทราบเรื่องแล้วกลับรีบหันหน้าเข้ากอไผ่เอางายาวๆสอดเข้ากลางกอไผ่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 ขอมองเห็นพวกเราซึ่งมีสีผ้ากาสาวพัดครองอยู่มันก็รู้ทันทีว่าเป็นเพศที่เย็นและไว้ใจได้มันรู้ภาษาที่เราพูดกับมันได้ไหมครับถ้าไม่จะไม่รู้ไม่เช่นนั้นจะเอามันมาลากซุงได้หรือขณะที่มันหันหน้าและสอดงาเข้ากอไผ่มันคิดอย่างไรบ้างครับก็มันรู้เรื่องแล้วนั่นเองมันจึงให้ทางไม่คิดจะทาอะไร ขณะที่พวกเราเดินผ่านมันมานั้นท่านอาจารย์ได้กำหนดดูใจมันมาตลอดทางผ่านหรือเปล่าครับและอีกหลายคำถามจนท่านพระอาจารย์มั่นพูดตัดบทว่าเอ๊นี่ก็จะพยายามคิดและถามเรื่องช้างไปตลอดคืนหรือยังไงจนไม่ต้องสนใจกับธรรมะธ ร, รมโมอะไรหรือพอถูกขู่เข้าเท่านั้นเรื่องช้างเลยจบลงทันทีเพราะกลัวท่านจะเข็นใหญ่